ท่านท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต้องฝ่ายบันพชิตและพระฤหัสวันนี้มีเป็นวันสำคัญที่เข้ามาสู่เราท่านทั้งหลายคือวันธรรมสวรนะเป็นวันพระขึ้นแป่ข้ามดป็นยวูวันเวลาล่วงเลยมาและไวมาก ตอนทั้งหลายอย่าประมาทเพราะชีวิตเราก็ล่วงเลยไปตามวันเวลาเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันเวลาก็หมดไปได้ไวท่านอย่าไปมองแต่คําว่าเวลาต้องมองตัวเราด้วยว่าตัวเราเนี่ยหมดไปหนึ่งวันหนึ่งปีอายุเท่าไหร่ อยู่ในชั้นผสมมาไวหรือมาชินมวัยหรือปัดชินมาไวก็อยู่ในวัยที่เท่าทะเละแก่ชราเป็นพยานหลักฐานให้เราต้องเห็นอยู่ตลอดเวลาการที่พระพุทธเจ้าสอนความจริงห้าประการที่ใครจะต้องเถียงไม่ขึ้นเมื่อเกิดมาก็ต้องแก่ แกแล้วก็ไม่ไปไหนก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ไม่ไปไหนก็ต้องตายเราจะต้องพลาดกลาดจากของรักของครอบใจกันทั้งหลายทั้งสิง่นจากไปแล้วไม่มีวันกลับมาแต่ความดีกับความชั่วติดตัวและทิ้งไว้ในโลกมนุษย์ที่เราเกิดมาในสากลที่พบ และกวิชาความรู้ที่เราเรียนมาก็สามารถติดวิญญาณไปในอนาคตทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็คงเอาไปไม่ได้ก็เป็นของสมบัติมนุษย์สมบัติในโลกนี้ก็ต้องอยู่ในโลกนี้ต่อไปไม่มีใครที่ยาวติดตัวไปนอกเนือจากความดีที่จะทำได้และสร้างได้ ในอนาคตจะสัมปรยาพบภายบนนาเร็จต่อไปนั้นเพราะฉะนั้นความดีจึงทำได้ยากความชั่วชาสา ม, มานทำได้ง่ายเพราะมันสบายใจไม่มีการฝืนใจและตั้งสติอารมณ์แต่ตการไดก็ไปเป็นไปตามอารมณ์ตามใจตนตามใจตัวมั่วอบยมุก สังคมต่อต้าในชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัวในชังคมของคนไทยและทั่วไปทั้งในประเทศตะต่างประเทศด้วยจะในการปฏิบัติธรรมเป็นไปได้ยากมากธรรมะคือธรรมชาติของชีวิตชีวิตเกิดมาจากธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยก็คือเกิดแก่เด็ดตายจากธรรมชาติ บอกไม้ทั้งหลายที่วางอยู่ในพานเดี๋ยวก็ต้องเหี่ยวแลวต้องแห้งไปเป็นธรรมดาแล้วต้องหมดสภาพไปในที่สุดคือคือธรรมะธรรมะความเป็นอยู่ของชีวิตจะอยู่ดีกิน ด, ด, ดีมัง่งมีสิสุขและการใดเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมจากการกระทําของเราทั้งสิง้น ไม่มีท่านผู้ใดเลยที่จะทําให้เราดีทําให้เราทุกขไม่มีท่านผู้ใดเลยที่จะทําให้เราลําบากไม่มีผู้ใดเลยทําให้เราเกิดทุกข์ทรมานนอกเหนือจากตัวเราเองเท่านั้นที่ทําให้เกิดความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลย ด, ดังทีเ่เราแล้ว ก็เนื่องมาจากว่าเราไม่มีธรรมะประจำใจขาดสติสัมปชัญญะและบางคนเนี่ยบอกรู้ทั้งนั้นกาถูกต้องรู้คนละแบบอย่างรู้คนละอย่างทั้งนั้นไม่ใช่รู้อย่างเดียวการไปตามเจริตของคนจริญแปลว่านิสัยนิสัยดีแปลว่าจริญดีนิสัยไม่ดีก็เลยทิ้มานะ เกิดขึ้นในตัวเองตลอดรายการไม่มีโอกาสที่จะดีได้แต่ประการใดทนทั้งหลายถึงวันธรรมโซนะเช่นอย่างพระแตกขําในวันนี้ขึ้นแตกขําเดินยี่แลขึ้นปีใหม่มาเมื่อเร็วๆนี้จะขึ้นเดินยี่แลเดี๋ยวก็ไปเดินสามเดินสี่เดินห้าเดินหกชีวิตเราก็ต้องเลื่อนไปตามเวลาของวันเึืงนปี มีแต่จะไหวก็จะเสื่อมลงเคยจะแข็งแรงก็ไม่แข็งแรงเคยอดทนก็ไม่อดทนชีวิตก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติพระกรรมฐานการทัดนางสติอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยถ้าท่านทั้งหลาย ที่ทำได้ง่ายก็คือตัวท่านมีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสไม่ใช่มาตามเขาหรือมาส่งเดชไม่มีเหตุไม่มีผลเลยเขาจัเจรินกรรมฐ า, านแล้วก็มานอนบางคนก็ไม่ได้อะไรกลับไปหน้าที่ได้เวลาที่หมดไปแล้วเรียกคืนไม่ได้เวลาหมดไปแล้วเรียกคืนไม่ได้เลย กุญแจชีวิตนี้สาคัญและนาฬิกาชีวิตกุญแจที่จะไขไขออกหมดทุกอย่างก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราไขาได้ทั้งแต่มันผิดลูกผิดตัวผิดฝาขาดสติสัมปชัญญะมันก็ผิดตัวผิดฝาและจะให้สำเร็จ ต, ตามเป้าหมายและปรารถนาที่ตั้งใจไว้ก็หมดทาง หมดทางทีเดียวไม่มีทางที่จะดีได้ดังกล่าวบางคนเราก็ขอเจริญพรว่านึกใสไม่เหมือนกันแบบอย่างก็ไม่เหมือนกันเหมาที่ตัมมาพูดให้โยมฟังเสมอทุกวันพระไม่ไาย ต, ไต่างกล้องปีน้องก่นกาจทองเดียวยังเหมือนกันไม่ได้เคยพูดให้ฟังเสมอเนี่คู่แฝดแทๆ้ๆคู่แฝด คนโตไม่เอาไหนเลยเกเรเกเรเส่หนังสือก็ไม่อยากเรียนแต่เฮิดได้แล้วคนนอะออกกันมาห้าห้าห้านาทีสามารถเป็นด็อกเตอร์ดะจบจากรหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้มีงานทำหน้าที่ดีนี่แหละคนเราเหมือนกันไม่ได้ไม่จำต้องกล่าวว่ามาจากไกลจากไกล มาเจอกันในรวมในวันละนักภาษาลายแค่ลูกท้องเดียวกันยังเหมือนกันไม่ได้ต่างเวนต่างตามตางเวลาตาตา ต, า ง, ต, า, งตางสถานที่มาเกิดกาเสดจไม่ได้ไปโดนพ่อแม่ไล่คุณธรรมขายคุณภาพลูกทาไงเอาไหนเหลยติญยาเสพติดกันแล้วก็ว่านอนสอนยากเทียงพ่อเทียงแม่ําไม่ตกหลักก็มีอยู่ไม่ใช่น้อย พอจะได้การปฏิบัติธรรมจึงเป็นชีวิตสำคัญของลูกกุญแจขายได้ทุกแบบอย่างเหลืออีกไงยะเรียกว่าลูกกุญแจชีวิตคือนาฬิกานาฬิกาชีวิตเราต้องตั้งอยู่ตลอดแต่การเดียวก็เดินไม่ตรงเหมือนอารมณ์เราเนี่ยบางวันก็อารมณ์ดีบางเวลาก็อารมณ์ไม่ดีบางทีก็ติด ตกกังวลไม่สนกายนหน้าที่ไม่รับผิดชอบในกลางนานของตนไหนเลยละชีวิตนื้จะมีค่าล่ะเพราะคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันขยันยังไม่เท่ากันทำอะไรไม่เหมือนกันบางคนก็สามปีมั่งมีสิสุขร่ำรวยบางคนทำแค่ตายมือจะขาดทุน ขาทุนเรื่องเองินทองยังไม่พอขาทุนชีวิตอแถมขาทุนเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วเราจะไปเรียกเวลาที่ไหนกลับคืนมาแล้วไมนมีแล้วยาโดมทั้งหลายเอ่ยพอเรามาังสวดมนไหวรนะแล้วตอนนี้ใส่ก็จะดีขึ้นเป็นนิสัยแบบอย่างที่อ่อนน้อมคนที่มีธรรมะจะอ่อนน้อมจะไม่แข็ง จะไม่ปากลาค้าแข็งแต่ประการใดจะพูดจาอ่อนหวานอ่อนน้อมท่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือไปงอนก็จะเกิดขึ้นโดยลักษณะการโดยธรรมชาติเองคนเราที่ไม่ใช่แตกต่าง่ากธรรมชาติเท่าไรนะคนเราแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติที่เกิดมาอย่างนี้ถ้าตกเป็นอย่างนี้ แล้วก็ อ, อดีตเป็นอย่างนี้อันปัจจุบันจะต้องเป็นอย่างนั้นปัจจุบันช่างแต่ความดีตลอดรายการเนี่ยไหนเลยแล้วอนาคตจะไม่ดีอนาคตก็ได้จากปัจจุบันปัจจุบันก็ได้มาจากอดีตหรือมันผ่านไปแล้วเราจะเรียกคืนได้แล้วจะมาลื่อฟื้นทําไมล่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกรรมอาถรรต้องการปัจจุบันธรรม เาดีตไม่ให้ลือฟื้เรื่อคนอื่นอยากคิดที่ชอบทำให้มันเฉกไปทำงานทำการทำหน้าที่รับผิดชอบเหมือนครอบครัวเนี่ยสามีปัญญาไม่รับผิดชอบสามีเป็นนักบริหารและนักปกครองแม่บ้านการเรือนแคราศาสตร์แม่แบบแม่แผนแม่แต่งดูแลบ้านช่องดีเลียบนอ้อยสะอาดหมดจด เรียดลอยมันคลองคำธรรมชาติหลอหลาบางบ้านไม่เอาสามีไม่เอานหนบางบ้านภรรยาก็ไม่เอานหนไม่ปลองรองกันเลยมีบุตรธิดาออกมาก็ใช้ไม่ได้ไม่เคยประโยชน์สอดสีผลแต่ประการใดเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่ของชีวิตในครอบครัวเนี่ยถ้ามีธรรมะสามีภรรยาสวดมนต์ไหว้พระลูกก็จะสวดตาม สวดตามโดยไม่ตก บ, บังคับถ้าเราปฏิบัติกรรมาฐานเป็นประจำปฏิบัติตาดูหูฟังปากนิ่งอยู่ตลอดในการไม่พูดสิ่งที่ไร้สาระเหตอการที่ไม่ดีเกิดขึ้นในปัจจุบันเราสร้างแต่ความดีในปัจจุบันไม่สู้ไม่มนืดสร้างความดีเขไว้ความดีทั้งท่านจะปรากฏชัดในอนาคต ไมเรียกว่าความดีความดีแปลว่าละความชั่วด้มีสติมีปัญญามีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาเช่นเดียวกันการแก้ไขปัญหาคือแก้ไขเวลาที่เป็นปกติได้ไหมเวลาก็เป็นปกติอยู่แล้วหมดไปตามวันเวลาเดียเด๋ยวก็ชั่วโมงเดี๋ยวก็ชั่วโมง ยกสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีชีวิตก็หมดไปตามนะั้นและชีวิตจะกลับมาเป็นหนุม่มเป็นเด็ดเป็นสาวอีกไม้มไม่ได้แน่นอนของทั้งหลายมีนจะหมดไปเมล่อจุดเทียนเล่มหนึ่งจุดแล้วจะไปไหนก็หมดไปไม้ไทรหมดไปแล้วไม้ไข่ไม้ที่ผึ้งหมดไปแล้ ว, ม, ม, ลวมันก็หมดไปตามเท่าฐาน วันเวลาก็เหมือนกันเช่นนั้นไม่มีอะไรที่จะต่อเติมกาจะต่อเชิญตุดใหม่ก็ต้องเอาเล่มใหม่มาตุกชั้นใดก็ชั้นนั้นาการปฏิบัติกรรมฐานต้องการจะให้เราฟื้นฟูชีวิตทำให้เรามีสติปัญญาทำให้อารมณ์ดีจะทำอะไรจะทำการค้าธุรกิจการงานนี่รับราชการนึกจะให้ลูกกล่าวไปเรียนหนังสือ เรียนวิชาความรู้หาวิชาใส่ตนก็เป็นไปได้ง่ายได้คนที่ไหนไม่สนใจธรรมะโดยธรรมชาติชีวิตรับรองทาอะไรย า, ยากหมดแก้ปัญหาเพราไม่ได้แล้ยิออ่ในยะหนึ่งเรียกว่ากรรมฐานแก้ปัญหาชีวิตแก้ได้ทุกอย่างทำให้พัฒนาปัญญามหาปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาได้ คือปัญญายิ่งใหญ่ประจำตัวประจำตัวเราติดมากับตัวเราปัญญาติดมากับตัวความรู้อยู่ในตำราเราสนใจแล้วก็ศึกษาเองามาปฏิบัติกรรมฐามนมาต้องการมาศึกษาชีวิตศึกษาปัญหาชีวิตที่ไม่เกิดขึ้นจากตัวเราปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย ปัญหาต่างๆไม่ใช่คนอื่นทำให้เราเราไปโทษว่าคนนั้นไม่ดีไปโทษว่าคนนี้ไม่ดีขอแท้ใจทิดเช็จจริงเนี่ยตัวเราไม่ดีไม่ได้ดูเลยลรอดูตัวเองไม่เป็นเราดูออกไปข้างนอกแต่งไม่ดูข้างในาการเจริญกรรมาฐานต้องการนั่งข้างในดูสึกดูใจขา้างหลังว่าอารมณ์ดีไหม ขหานี้อารมณ์เป็นอย่างไรมีปัญญาไหมมีสัมปชัญ ญ, ญปะปัพพะไหมมีความรู้ตัวรู้ทั่วรู้เหตุการณ์ในชีวิตไหมยด้ชีวิตนี้คืออะไรเราจะควรทําอย่างไรบ้างให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในถึกประจําวันวันเวลาอย่าให้ล่วงไปเ ป, เปล่าเลยท่านทั้งหลายเออล่วงไปเ ป, เปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไร ก็ขอให้มีประโยชน์ต่อชีวิตในสิจประจำวันเรามาเจริญกรรมฐานเจ็ดวันหรือจะสิบห้าวันแล้วแต่ศรัทธาบางคนตั้งใจจะมาอยู่สักเจ็ดวันสิบวันสองวันหนือไปแล้วกลับไปแล้วไม่อดทนการสร้างความดีไม่ใช่ง่ายเลยทำยากมากแต่ความชั่วเนี่ยตามใจตัวไปก ว, ว่าความชั่ว ตามใจตัวตามใจตนตามใจตกคนตลอดไปไม่มีการที่จะฝืนใจให้ไ้เข้าสุขในมุ่งหมายแห่งความดีอันนั้นแต่จากการใดการเจริญกรรมาฐานเพื่อเป็นการฝืนใจให้เข้าความดีฝืนกากเดินในดงในป่าให้เข้าหงทางให้อยู่ในมรรคมคาในทางเดินสายกลาง เพื่อจเจริญสติปญัญญานสีกายานุปัฏฐนาสติปญัญญานกายจะยืนหรือจะเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแลขวาโคเหยียดเหยียดขามีสติฉันปัญญะกำหนดจิตแปลว่าตั้งสติกำหนดจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไปที่โ น, นที่นี่แปลว่าตั้งสติให้อยู่ก็จิตจิตจะฟุ้งซ่านไปยังไงก็ตาม เมติจะตามไปอยู่กับจิตเสมอนั่นเนี่ยทำให้คนนั้นมีปัญญาในตัวปัญญาเกิดจากตัวเองโดยเฉพาะไม่ใช่คนอื่นทําให้เราได้ความดีแบ่งกันไม่ได้ไม่ใช่อมของบริโภคหรือเครื่องอุปโภคอาหารการบริโภคต่างๆแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เสื้อผ้าแบ่งกันก็ได้แต่ความดีตัวใครตัวมันเป็นปัจจัดตัง เวทีจับโพวิญญาิรู้ได้เฉพาะตัวของเราคนอื่นรู้ไม่ได้เรามาเจริญกรรมาฐานเราจะได้รู้ตัวว่าจิตมันพุ่งไหมเวลานั่งทักถามจิมาทีเนี่ยจิตไปไหนบ้างจิตสนจรไปมาต่างๆคลิกเรื่องโน่นเรื่องนี้ต่างๆคลิกเรื่องมาต้องหลายปีคลิกแล้วก็เสียใจคลิกแล้วกอดีใจคลิกแล้วก็ท้อใจไว้จริงอยู่ตลอดในการ ต้องการตรงนี้การมาเจริญกรรมาฐานต้องการจะมาแก้ปัญหาชีวิตและเราเอาไปใช้ตลอดชีวิตคือให้สวดว่า พ, พุทธคุณประธรรมคุณภาษาคุณก็ต้องการจะให้คุณสามประการ น, นี้ประจันจิตตั้งสติประจันใจไม่ให้เราทอ้อถอยให้เราอดทนต่อกายงานและหน้าที่โดยรับผิดชอบ จึงเรียกว่าอดทนเป็นสมบัติ ข, ข อ, อกต่อสู้ความรู้เป็นสมบัติขณทปลาดความสามารถเป็นสมบัติขณทประกอบอกิจความมีระเบียบผู้ชนี้เป็นสมบัติของผู้ดีผู้ดีทําอะไรมีระเบียบก็ไ่าจต่สติทําอะไรมีระบบทําอะไรมีนโยบายจะทําอะไรโดยไม่ได้คิดไม่ได้ยับย่างช่างคิดไม่มีสติปัญญางานเสียหมด กรรมาฐานที่เราทําเนี่ยแปลว่าหน้าที่การงานต้องอรับผิดชอบแล้วไม่มีการที่จะต้องไปทะเละะะออเาะกันเฉพาะโดยเฉพาะโดครอบครัวจะรักกันอย่างดีจะเมตตาเปล่าในต่อกันมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อการเสมอมามีะไรก็หนักนิดเบาหน่อยให้อาภัยกันระหว่างครอบครัว ไม่มีการที่จะต้องถึงถกเถีย ง, งเหมือนการคนยุคใหม่สมัยนี้มีได้ทะเลาะกันบาว่าการน า, นาประการเลยชีวิตนี้ท่านก็ร้อนลอเหมือ น, นไฟไฟเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงลองไปจับหนสิเอาไฟมันลอนตัวเราถึงลอนนิ่วถ่งร้อนหรือไม่ร้อนถึงเราจะรู้ได้ว่าไฟมันร้อนแต่เราไม่ไปจับไฟจะรู้ได้ไง การเจริญกรรมฐานต้องการให้ใจเย็นถ้าใครปฏิบัติได้ก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เราใจเย็นแล้วไม่ร้อนอกร้อนใจเหมือนไฟผุมของสมเจตสมใจให้เราต้องร้อนอกร้อนใจตลอดรายการใจก็ เ, เย็นลงให้ใจยาวๆไม่ให้ใจชัง่งจนเจริญกรรมฐานเดินจงกลมเช่นยืนหน่่ห้าครั้ง ขอฝากผู้ปฏิบัติโดยทำให้ได้หน่อยเถอะยืนหนอตั้งสติตามจิตไปเดีวจับลายเท้าคนทิษะยืนหนอบางคนบากค น, กคนง่ายได้เดียวถูกต้องของท่านเอาปากเอาปากยืนแต่ไม่เอาสติอยู่กับจิตที่ยืนทบทวนชีวิตต้องการจะรู้กฎแห่งกรรว่าเราทำกรรมอะไรไว้ จะได้รู้มัองวัดอ อ, อเนี่ยเวรกรรมตามสิ่นองผู้ปฏิบัติธรรมที่รักทั้งหลายหรือใครจะบอกเราอย่างไรสู้เราบอกตัวเองไม่ได้เรารู้จริงจากตัวเองด้วยการเจริญสกรรมฐานไม่จาเป็นคนอื่นมาบอกคนอื่นบอกเรานั่งฟังอย่างเดียวแล้วเราไม่ทำเราไม่ปฏิบัติเลยเยมันจะได้อะไรหรือ มันก็ไม่ได้ไม่เสมอต้อนเสมอปลายแต่การใดชีวิตจะเป็นหมันทรัพยากรจะไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตแต่การใดการเจริญกรรมฐานต้องเหือยยืนหนอเนี่ยคือกายานุปัฏฐนานกายยืนเดินนั่งนอนมีสติต้องให้ชาเพราะชาจะได้ชาของเล่นงานใจเร็วด่วนได้ไม่ค่อยดีทําอะไรเสียหมดชีกยุ้ยแ้ม หลาลงไปไหนเลยเล่าชีวิตนี้จะมีค่าไม่ได้ประโยชน์สัตย์ผลแต่ประการใดการปฏิบัติธรรมจะมีประโยชน์ประจำชีวของท่านเองท่านจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ปฏิบัติให้กันไม่ได้หรอกไม่อยาปฏิบัติแล้วอาไปให้คนโน้นเอาไปให้คนนี้มันอยู่แบ่งกันไม่ใช่ของบริโภคนี่ไม่ของมองไม่เห็น เป็นของมองมาเห็นด้วยสายตาและจิตใจเป็นของใครของมันเท่านั้นการปฏิบัติกรรมฐานต้องการจะได้รู้ตัวว่าเราดูชั่วประการได้หายใจให้ยาวไว้ถ้าเดินจงกรมพยายามให้เดินช้ายกเท้ากันมาสองนิ้วยืนหนอห้าครั้งแล้วขวาเลืนตาดูเวลายืนหนอห้าครั้งหลับตาอย่าไปลืมตา การกะทบทวนจิตทบทวนชีวิตว่าเราเนี่ยเป็นการเทียบนาฬิกาเทียบนาฬิกาตัวเองว่านาฬิกาเราโกงไหมแล้วไปตามนัดได้ไหมนาฬิการ้อยเรือนก็ไม่โกงสักเรือนอกเก็ไม่ได้เทียบกันชั้นใดก็บชั้นนั้นาการปฏิบัติธรรมจึงไร้ประโยชน์มากสําหรับบุคคลที่ไม่สนใจ อย่างมากันเยอะจึงมาสองวันมีสามวันมีเ ร, เรียกน้อยๆแล้ว ก, ก็กราบแล้วก็เลิกเลยแค่ไหนเราจะแก้ปัญหาได้พาไปแก้ปัญหาที่หมอดูไปแก้ปัญหาที่ผีเศร้าจอะทรงผิดทั้งนั้นไม่เป็นเรื่องเป็นราวแต่ประการใดการอ่านออกบอกหน้าใช้เป็นมันอยู่ที่ตัวเราดีหรือทั่วประการใดอยู่ที่ตัวเราเท่นั้ ไม่ใช่ไปโทษคนนั้นไม่ดีโทษคนนี้ไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ดีไม่ได้มองเลยไม่ได้มองดูเงาของเราเราไปดูเงาคนอื่นเขาเรื่องเงาเราขาดหัวขาดไปมลาัายรู้ไหมเราก็ไม่ทราบเลยแต่เราขาดสติมมาลาัยเมื่อนั้นอารมณ์ก็เสียจิตใจก็เลเพลราค้า ไหลไปทางโน้นไหลไปทางนี้แล้วก็คิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันคิดตรงหลายเรื่องในเวลาเดียวกันถ้าเราไม่สติชัรงชัญญะกํกำหนดหน้าอย่างนี้อย่างนี้เจริญประกรรมฐานเยันยืนหนอห้าครั้งเสร็จแล้วก็ลืมตาดูปลายเท้าดูปลายเท้าดูที่กำหนดอริยบทต่างๆนี่ยังหยาบๆยาบเย ขวายางหนอได้ปัจจุบันซ้ายยางหนอให้ชาที่จุดที่จะชาไดทำอย่างนี้สักหนึ่งชั่วโมงเดินไปถึงแนวก็แล้วก็ลิกขวาชิด้ายแล้วก็กลับหนอกลับนอกลับนอกลับขีกลับแปดแปดจังหวะกำลังวอียด แล้วก็ยืนหนออีกห้าแล้วทาอย่างนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านจะรู้ตัวเลยว่าอ๋อยากมากจิตไม่จะอยู่กับตัวควันเอ้ยไม่อยู่กับ ต, ตัวเลยเฉยๆวันนี้วันดีแต่คนไม่ดีวันเนี่ยดีทุกวันจะเป็นวันเดือนปีอะไรดีหมดทุกวันแต่คนทำไม่ดีมันอยู่ที่วันเดือนปีมาหลายรั่ะ มันอยู่ที่ตัวเราดีทั่วแต่การใดการเจริญกรรมฐานจะรู้เหตุการณ์ได้ในตัวเองจะเป็นอดีตมานาคตปัจจุบันแต่การเจริญกรรมฐานต้องการประศึกษาปัจจุบันปัจจุวัตรดีเนี่จะถอยหลังเดินหน้าได้เลยแต่จะไม่เอียงซ้ายจะไม่เอียงขวาจะกลงไปกลงมาดังที่กล่าวแล้วโดยสติสัมปชัญญะท่นเองเดินตรงกลมเนี่ย แล้วเรามีอะไรมากำหนดเวทนาโนปัฏนานสถิตฐานปวดเนื้อปวดเมื่อยทุกข์โศกเบคขาเวทนาไม่สุกไม่ทุกข์ต้องกําหนดอย่าปล่อยผ่านไปไม่ได้แล้วกาหนดเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันปวดทั้งขนาดนี้เนี่ยปวดจมลำตาแทาบหลน่นเลยกําหนดไปกําหนดไปก็จะได้คุ้นเคยกับความปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไป ไม่มีอะไรที่จะมั่นแน่นอนในชีวิตเลยเป็นอาชีพจังทุกขังอนาตานะความแน่นอนในชีวิตไม่ได้ก็เกิดขึ้นกับตัวท่านเองโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าคนอื่นทําให้เราเราทำํำของเราเราจะได้ศึกษาแสวงหาความรู้ในความอดทนต่อสู้กับเหตุการณ์ของชีวิตชีวิตนี่คืออะไรกันแน่เราจะได้รู้ว่าอดชีวิตเราเนี่ยคือการต่อสู้ เกิดขึ้นกับตัวเราโดยเฉพาะเวชนาที่เกิดขึ้นเสียใจดีใจโรกรธกาหนดที่ไหนติดตาหรืปัจฉนาติประธนะานข้อที่สามที่เป็นธรรมชาติตรงคึกอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไว้ได้ ม, มันเหมือนเทพรฤทธกเสียงไม่มีตัวตนที่คลั่งได้มันอยู่ในอารมณ์ลมให้ใจเข้าก็รู้ลมให้ใจออกก็รู้ให้ใจเข้ายาว ทองจะพองให้ใช้ออกยาวยาวทองจะยุกตรงนี้สำคัญมากสาหรับผู้ปฏิบัติบางทีหายใจเข้าออกไม่รู้ทองหนอลูกหนอก็มองไม่เห็นเลยว่าจะปากเลยก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันต้องฝึกเอาเองดังที่กล่าวนี้ทุกคนต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันไม่ได้มันอย่างโบราณท่านว่าไว้เป็นทาราดาใจดีเรากําหนดจดจําได้ แทงเรือแทงพายแข่งได้แทงบุญวาสนะไม่ได้ก็ถึงแหล่แต่ถ้าว่าอยากจะเรียนถามว่าพายเรือเป็นกันไหมลงเรือก็ยังไม่เป็นไหนรายจะจะไปพายเรือเป็นจะไปพายเรือได้ต้องมาได้ฝึกทุกอย่างในโลกสากลมนุษย์นี้สากลโลกต้องฝึกทุกอย่างเวลาพูดจะต้องหาพูด เวลาฟังก็ต้องฟังเป็นผู้ก็เป็นดูก็เป็นคือใช้ปัญญาใช้สตินั่นเองสติกำหนดโกรธทำยังไงคนโกรธจับจะให้ใจสัน่นโมโหร้ายแล้วก็คนเป็นคนผูกใจเจ็บอิจฉาริษยาตลอดในการแต่คนให้ใจยาๆตั้งสติสัมปชัญญะไว้ลมให้ใจเข้าออกเนี่ยเราก็หายใจอยู่แล้ว เอาสติย้ายเข้าไปเท่านั้นเองเนี่ยทําทให้เราอารมณ์ดีเราจะได้รู้ตัวว่าเราไปโกรธเขาทําไมเขาไม่ไทำํำเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเร า, เราไปโกรธเขาเขาไม่รู้เรื่องเราไปโกรธแล้วก็ทําตัวเราเองโดยเฉพาะไม่ใช่คนอื่นทําให้เราทําตัวเราเองโดยเฉพาะคือโกรธหนอโกรธหนอที่ลิ้นปีดหายใจให้ยาวๆไว้บางคนไม่เอา รู้อย่างที่ตมาพูดถึงกันทุกคนแต่ทําไม่ได้ไม่สนใจที่จะทําไม่สนใจที่จะอดทนมีการปฏิบัติมีสาคัญมากธํามานุปัชนาติปทานทําเป็นกุศลทําเป็นอกุศลกุศลละรามคือสร้างความดีให้แก่กายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสารรมเรียกว่ากรรมบุตเศรษฐกาม อยู่ในตัวเรากายกรรมคือการ ท, ทําทางกายบาทชาติ้างเวียนแต่ท่านผู้ใดสร้างจากความดีมีปัญญาจิตใจก็เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลละรามแต่ประการใดเรียกว่ามโนกรรมกรรมทางจิตใจไม่ไดยบอกให้เราเป็นอย่างนั้นบอกให้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกเหยโลกมนุษย์นี้เป็นอย่างนี้คนเราเหมือนกันทุกคนไม่ได้ อย่างที่มาปฏิบัติกันบางคนก็มาในในในกราบหนุ่มขาวผุ่มขาวเนีย่ยมาถึงก็มาลักมือถือรักเงินลักทองรักอะไรกันที่แล้วมามีหลายครั้งที่ได้บอกให้แกผู้ปฏิบัติยาวของมีข่ามาเราว่าเราไม่แน่ใจไม่แล้วแล้วรู้ไม่ได้ว่าใครเป็นคนดีถ้าเราจะไปบอกเขาว่าเป็นคนไม่ดีได้หรือแต่เรารู้เขาได้ยังไงล่ะ เราขออย่าไปรู้คนอื่นเลยรู้ตัวเราดีกว่าเราเราดีหรือไม่ดีเราทําชั่วหรือทําดีประการใดอย่าไปสนใจคนอื่นแต่ประการใดการจเจริญกรรมฐานต้องการจะสนใจตัวเองรับรู้สิ่งที่ควรไม่รู้ที่ยที่ยังไม่รู้ให้เกิดขึ้นในตัวเองตลอดเลการชีวิตเราจะมีค่าแน่นอน เพชรน้ำหนึ่งในดวงใจก็คือสติสัพชัญญะจิตใจเป็นเพชรน้ำหนึ่งในดวงใจโดยขึ้นกับตัวท่านเองโดยเฉพาะตัวท่านเองโดยเฉพาะจะได้รู้จะจะได้เข้าใจบางคนอื่นก็รู้ได้แต่ทําไม่ได้รู้แต่ทำไม่ได้ขาดสติสัพชัญญะเลยก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ประการใดก็มีมากไม่ใช่น้อย เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาไปใช้เป็นประจำตาดูหูฟังฝากนี่จะรีบวิ่นมือทำแต่ความดีจะได้มีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาปัญหามีอยู่กันทุกคนถ้ามีกรรมฐานประจำจิตใจตลอดในการแล้วท่านจะแก้ปัญหาได้ไม่ต้องไปหาใครปัญหาเกิดขึ้นจากตัวเราเราก็แก้ปัญหาตัวเราไม่ใช่คนอื่นมาแก้แก้ไม่ได้เนี่ย เราเป็นคนผูกอย่าให้ปเป็นอื่นเป็นแก้ไม่ด้เราเป็นคนผูกเราก็ต้องแก้ปัญหาตัวเราเองเราจะได้รู้ว่าอ๋อเรื่องทิพานเราเนี่ยเราผิดบาปหนึ่งไม่ทำไม่ถูกต้องเราจะเริ่มจะไปเฉียงใครต่อไปเพราะคนเราเอาแต่ชนะกันมีเจตคติมันน่าตลอดเลยการเหมือนสามีภัรยาจ้เาชนะกันจึงทะเลาะกันไม่ยอมกัน ถ้า ต, ตางคนต่างมีสติสั่งปัญญะดีแนวก็จะ เ, เ, เกิดผลเสื่ยวกัท่านเองโดยเฉพาะอย่างอืน่นไม่ได้ผลแน่นอนถ้าหาว่าเราขาดการเจริญกรรมฐ า, านมันก็หมดโอกาสที่จะทำดีได้การกาหนดสิษ์เราทำได้ทุกมิธีทางตาเนี่ยมันต้องดูอยู่แล้วหูก็ต้องฟังอยู่แล้วตามูก็ได้ฟินอยู่แล้ว ลิ้นลับรถอยู่กับเหว่าเวลาการการลางจำผาดร้อนหนาวโอนแขนตลอดรายการแล้วเราก็ตั้งสติสัมปชัญญะหลอกลู่ในกองการชั้งขายของเราอ่านออกบอกหน้าใช้เป็นอย่างนี้ท่านก็จะได้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมาาปิดประตูอบายได้นรกเปรตอสุรกายจัตติเลฉานท่าจะไม่ไปถึงนั้นอำนาจโลภะตายไปต้องไปเป็นเปรต อำ น, นาจโทสะลงนรกอบายภูมิอำ น, นาจโมหะต้องตายไปเกิดเป็นสัตว์เฉลี่ยฉานบอกว่ า, าวตามตำราที่พระเจ้าสอนว่อย่างชัดเจนถ้าเรามีสติทั้งปัญญาแล้วจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันจะไม่ไปนรกเป็อาุลกายเฉลี่ยฉานอย่างที่เราเรียกขอ้อต้นมี่ก็เช่นเดียวกันการเจริญกุศลภาวนานั้นทำให้เราเนี่ย มีสติดตีเป็นกายแก้ปัญหาชีวิตจะไม่สร้างปัญหาให้เดืดร้อนในครอบครัวบางบ้างก่อสามีพัญญาแยกกั น, นีโทรมาวันซืนจะแยกกันจะล้องหย่ากันกระทั่งที่มีเขยสะท้ายนี่เนี่ยคนมีสร้างแต่ปัญหาไม่มีการแก้สร้างปัญหามั่งมาเข้าแก้ไม่ได้รอตัวเองไม่แก้ปัญหาที่ตัวเองทํา จะไปให้คนอื่นแก้ปัญหาทําให้เขาเดือดร้อนเปล่าเราไป็ผู้เดือดร้อนเราก็ต้องแก้เองว่าเราอยําให้เดือดร้อนเลยตัวเราอย่าให้เดือดร้อนเราเดือดร้อนขึ้นมาแล้วไหนเลยแล้วคนอื่นจะแก้ปัญหาให้เราเราต้องแก้เองเดือดร้อนใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นเราก็คำนึกคำมั่นยาว่าเราเกิดมาปมดเป็นมนูษย์ฉันจะยากแล้ว ไม่มีกายด้วยนล้วเราเกิดมาก็ไม่เป็ น, บ น, บนใบบาทเดะเฉลียยสุดมนุษย์แต่ตรการใดอาการสามทีกสองก็ครบก็นับว่าโชคดีแล้วเราย้ายโชคร้ายเลยการเจริญกรรมฐานทำให้เราโชคดีนะทำให้เรามีปัญญาบางคนประกอบอาชีพการงานค้าขายทำไรใช้านาพอมานั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมสามีภรรยาเลิกทะเลาะกัน ภรรยามานั่งกรรมาฐานสามีจะด่าว่ายังไงพ็นิ่งก็นิ่งแล้วกยกมือว่าสามีบอกว่าทำให้ขอบใจนะที่นัดด่าเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราอดทนได้นะไดแล้ยทำให้ด่าเราเราก็อดทนไม่ได้เลยไปนั่งกรรมาฐานมาสามีตกใจเลยนะ่ะข้าสามีก็มานั่งกรรมาฐานบ้างเลยก็ไปด้วยกันได้เลย ไม่มีการดีดเสียงการทะเลาะกันให้มีเรื่องมีราวทําให้เสียสมองและก็โดยเฉพาะ อ, อย่างนีงเสียเวลาแต่เปล่าหมดเวลาทะเลาะกันเป็นสองสมชั่วโมงบางคนทะเลาะกันต้งวันบางคนก็ฟื้นใจไม่ได้โกรธกันเป็นเดือ น, ม, นมันทําให้เสียงานปเปล่าไม่เกินประโยชน์ผลที่ผลจัดการใดดันนั่งท่านผู้ปฏิบททัติทำทั้งหลาย อย่าไปเชื่อใครเชื่อเราพระพุทธเจ้ า, าเพื่อพระพุทธเจ้าสอนให้เราดีไม่ได้สอนให้เราไปเป็นคนขั้วชาสามานแต่การได้สัมโดดมากน้อยยินดีกับของที่เรามีอยู่ได้ยินดีกับของที่เราทําในเรื่องกายเรื่องจิตสร้างสติฉันทะชัญญะมายินดีของที่คนอื่นเขาแต่ตการได้ยินดีของที่เรามีอยู่ตลอดไป อันนี้จะเป็นประโยชน์สอดทุผลในชีวิตเราไม่น้อยการเจริญกรรมาฐานเนี่ยเป็นการตั้งสติที่เราจะต้องแก้ปัญห า, ากหารจะยังร้อยขาดสติไม่ได้ทําแลกตกลับไปบ้านเลิกเลยไม่เด็กํำหนดตาไม่กำหนดท้งหูทวารหกก็ไม่กำหนดขาดสติทั้งบัญชญาเนี่ท่านจะจะเหมือนเดิมอาจจะเร็วกว่าเดิมก็ได้ขาดสติไป ย, ยับยัง้งทางคิปไม่ได้ อยู่กับวุ่นผันพันแล้งแหนมันเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียการเวลาทําให้ผิดพลาดในครอบครัวผิดพลาดไปถึงลูกที่เราเลี้ยงมาก็ใช่ไม่ได้ไม่ตั้งใายืนหนังเือแต่ประการดันเราปัญหาของคนเรามันมีอยู่มาห้าปัญหาที่เราได้ทราบมาจากคนทั่วไปหนึ่งครอบครัวไม่มีความสุขทะเลาะกันตลอดประกานที่สองลองไปนั้น อาการที่สองลองลงไปก็คือตั้งสติไม่ได้จิตใจเป็นกุชนไม่ได้เลยก็ไม่มีโอกาสที่จะใช้ปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาแต่แต่อาการใดไม่มีสติอาการที่สามลูกมาเรียนหนังสืออาการที่สี่เศรจะคิดไม่พอปากพอท้องหมดเงินหมดทองไปแล้วเป็นนี่เป็นสินเขาไม่พัก ไม่สามารถมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาได้ปัญหาที่ห้าดีได้ยังไม่พอจะเหตุการณ์ในยากจนบางคนมีเงินต้องร้อยร้อยล้านตมาบอกขอพินกบาสให้อย่าเล่นอาการพันน้ำอย่าเล่นอย่าเล่นหุ้นก็ไม่เชื่อเล่นทั้งออกตัวเลยหมดโดยไม่รู้ตัวด้วยเกาไม่เคยช่างมันั่นกรรมาฐานแต่คนที่มาจเจริญกรรมาฐานเขาจะมาเล่นอาบายมุกเขาจะมุ่งความเสรชฉลัก ลดละความเห็นแต่ตัวลดละความใหต้ตัวแต่ตัวมุ่งความเชื้อสะละกลดละความให้แต่ตัวไม่มัวใบญมุขสร้างความสงบสุขให้แต่ครอบครัวทําตัวเป็นแบบแต่สังคมเกิดขึ้นได้แต่ตัวเราเนี่ยหน่ากรรมฐานมุ่งความเชื้อสะละชื้อสะละกได้ทุกอาบางคนเห็นแต่ตัวจริงๆ มาเดี๋ยวใจยในหน้าที่การงานคนเรามันแตกต่างกันอยัางนี้ท่านทั้งหลายเอลอลงไปดูบางบ้างบางแห่งเขาไม่ไสนใจายเขาไปสฉนจยเรื่องคนอื่นสนใจเรื่องที่ไม่เป็เรื่องเป็นราวนินทาการเล่มเทน้ำไม่โฉดจามไม่นำมีด ม, ม, ม, มาเกลี่ยถิน่นเทาน้ำแล้มันก็แสกไปตามดึงไปดึงไม่มีอะไรถิ่นฐานในจิตใจที่เป็นการเวลา ที่มีประโยชน์ต่อการที่เราจะไปนินทาว่าลายใส่ลายป้ายสีการจะการดัดการเจริญกรรมฐ า, านเนี่ยจะไม่มีการผูกปัญญาบักใครจะไม่มีการผูกใจเจ็บใครจะให้อาภายัยเสมอและจะไม่มีการอิจฉาลิษยาแต่ท่านผู้ใดที่เราเกิดขึ้นในชีวิตนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นไม่อิจฉาใครการอิจฉาลิษยานี่จะมีโทษทางการ หนึ่งสาเหตุทาให้เกดเิดความแตกแยกความรุนแรงสองเป็นอุปสรรคในการประสานงานที่ดีสามขาดความกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานสีสร้างศัตรูให้กับตัวเองสร้างศัตรูให้ชัดๆเองอะไนี่อีกฉาเขาเนี่ห้าขาดความจริงใจต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยกันไม่มีจริงใจกับใครเลยชายก็ไม่จริงหญิงก็ไม่แช่ ในคนแก่ที่ไม่น่าบูชาไม่มีใครนับหน้าถือตาแต่ประการใดการปฏิบัติเนี่ยต้องการทรัพย์ชื่อเสียงและความรักไปไหนมีทรัพย์มีสมบัติชื่อเสียงความรักเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนงามสีที่ดีสีแบบประการอยู่สีอย่างท่านจะได้พบากับการเจริญประการฌาน ง, งามด้วยเที่ยงแต่งกายมีทรัพยครบ งามด้วยอวัยวะร่างกายแล้วก็งามด้วยมารยาททั้งคุณียามารยาทของงามไปหมดเลยงามด้วยมารยาทตลอดในการงามด้วยน้ําใจน้จําใจของงามดีชัยแบบดีที่ทรัพย์สมบัติของตนดีที่ชาติพันธุ์ของตนสองดีที่ทรัพย์ชื่อเสียงความรัก สามดีที่มีวิชาความรู้ความสามารถสี่ดีที่มีสัญชาริการดูสี่ อ, อย่างที่จะเกิดขึ้นจากน้างกาะเล่นกรรมฐ า, านอย่างที่แน่นอนกับารดูต่อ บ, บุคคลรูลละปะพูนของบิดามารดารูลลปลพูนของครูบาอาจารย์รูปลพูนของโบกู้บุ บ, บกาละบุบกาลีเป็น ต, ต้องการดูต่อสถานที่ รูปภคุณของอาชีพการงานรูปภคุณของปถะธานการศึกษาที่เราได้ร่ำเรียนการวิชามาจะเกิดขึ้นในตัวท่านเองรูปภคุณกระตันดูต่อปถานที่ยังไม่พอของกระตันดูต่อความดีรูปภคุณของความดีที่เขาทาให้เราเป็นคนดีลืมไม่ได้ ดองแน่นอนเลยต้องเป็นคนกระตันดูตัวเวทีเป็นสมบัติของผู้ดีอย่างแน่นอนเป็นสมบัติยานทักนะศึกษาของชีวิตนี้โดยการกระตันดูเป็นยานของบุคคลผู้สร้างความดีออกนี่มามาเป็นต้นกระตันดูต่อตัวเองชงสารตัวเองพึ่งช่วยตัวเองต่อรักษาสุขภาพอนามไมอย่าให้สุขภาพอนามไม่ต้องเสียหายไปแล้วก็ รักษาสุขภาพอ น, นามารักษาอย่าให้มัวหมองติตใจให้คล่องแค่ว่องไวรวดเร็เวทานใจถูกต้องเป็นธรรมอย่าให้ไปไปอยู่ในอามายามุกหาความสนุกในสังคมเนีย่ยเป็เรียกว่างามส่ที่ดีทีแบบประการดูืออยักก่อจะเกิดขึ้นในตัวท่านเองโดยเฉพาะพระท่านทั้งหลา ย, ายจะเจริญพระกรรมฐานเพิ่มขึ้นมาก ท่ า, น, า, น, น, น, า, านจะรู้เองว่ามนุษย์ต้องการอะไรในชีวิตมนุษย์ต้องการอะไรบ้างท่านจะรู้เองว่ามนุษย์ต้องการอะไรกล่าวให้ท่านฟังแล้วท่านจะเถียงไม่ขึ้นหนึ่งความรักไม่มีใครใไปไหนให้คนเปลียดมีหให้ต้องการคนรักสองคนนิยมชมชอบสามความเลื่อมใสศรัทธาสี่ความมีไ ม, ม่จีจิตไม่ชะภาค ห้าความเอาใจใส่หความเคารพนับถือเจความมีอเมตตาแปดความเห็นอกหึงใจกัน9ความเป็นกันเองสิบความเป็นธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ต้องการเรลยเรม า, ามาเจริญกรรมฐานท่านจะทราบสิบข้อว่ามนุษย์ต้องการความรักไหมต้องการความนิยมไหมต้องการความเลื่อมใสศรัทธาไหม ไฟหนาี่ให้คนเกลียดหน้ามองไม่หน้ามองดูหน้าไม่ติดเห็นกับเป็นอย่างนี้ไม่ได้คนจะโคนฤทธิข่าวสติคนชั่วคนละพยศไม่ได้ก็ไม่รู้เรื่องขาวเป็นดําดําเป็นเป็นขาวเลยไม่รู้เรื่องอะไรที่อยากจะรู้ได้จะการใดขเอเจริญพรมังขวดมนเป็นนิสสุขฐานถือเป็นประจํา อโอโหสุกรรมองไปแผ่เมตตาจะไปแผ่เมตตาเนี่ยไม่โหสิกรรมใครจะไปโกรธคนนั้นผูกพยาบาลคนนี้และเราท่านจะแผ่เมตตาออกไหมท่านจะไม่มีเมตตาต่อท่านผู้ใดเลยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนุกนี้เร า, เอาโอโหสิกรรมได้และเราไม่โกรธใครไม่เคืองใครและไม่สนใจความชั่วชาสามานุของใคร โฉนกายจะความดีให้จะความดีเัายิ่งห้ายิ่งดา่ายิ่งหวงยิ่งอดหมดไม่มาเราไม่หวงเราไม่อดหมดมาเรื่อยเรยไวยน้ำใจมีอาชยาใสโอ้ อ, อ้อมอรีวัีไปเลาะสงเคราะห์ทุกคนท่านจะวางตนให้เป็นกลางสมปราถนาดังที่กล่าวแล้วจากการเจริญกรรมถานชีวิตนี้จะมีค่าแน่นอง สถามเจริญนี้ปัตสนากรรมฐานดังกล่าวมาจางข้างต้นแล้วถ้าธานทำแล้วจะมีอานิสงส์ก็ขอว่ากลับไปบ้านหรือไปไหนแล้วเดินจงกรมวก่อนจะนั่งเดินจงกรมก่อนต้องเดินจงกรมก่อนเสมอเดินจงกรมอานิสงส์แรงมากคือหนึ่งอ <c oughs> ดทนต่อการเดินทางกลสองอดทนต่อการบนเพ็ญเพียร สามอมดทนต่อการมาเพนเพียนสมโครคไข้ไข้เจ็บหายอย่างน่าจะจานข้อสี่อาหารที่บริพอกไปแล้วก็ ย, ออย่อยง่ายข้อหสมาธิที่ได้จากเดินตรงกรมน้องตั้งอยู่ได้นานมากกว่าหน้าจึงต้องให้เดินเดินเข้าไว้จึงรวมสรุปใจความว่าเนื้อสี่เดินยืนเดินดน้าหนอด แล้วก่อ็เหลียวซ้ายแหลกว่าคู่เหยียดเอยียดขาก็มีสติสัมปชัญญะดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นที่จะมาเล่ามาเนี่ยทา่านทั้งหลายด้วยข้าใจถึงการเจริญพระธรรมด้าน ม, าามานีสง่ากล่าวแล้วเช่นเดียวกันอย่าไปตำหนิใจตำหนิตัวเองดีสุแล้วอะไรหนอจะดีดีอยู่ที่ละความชัว่ว ดีที่เรามีความพิจารณาด้วยปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาให้รู้จักในการชีวิตนี้คือมีค่าจากการกระทําทั้งหมดที่กล่าวมาจะขั้ขต้นนี้ทําให้ชีวิตมีค่าการกระทำดีหมดทุกอย่างกระทาให้เราอดทนด้วยใครจะพูดจะอะไรจะด่าจะว่าอะไรเราก็ตั้งท้อถือที่หู ฟังแล้วอย่าไปรับอย่าไปรับเอาคําทั่วชาสามาคนคนอื่นมาใส่ใจให้มันรุ่งรุ่งลวยไปทําไมไม่เกิดประโยชน์เลยบางคนที่ทะเลาะกันหนึ่งเพราะไปรับกันมามึงคากูคําด่ากันไปด่ากันมาว่ากันไปว่ากันมาก็ปล่อยการตีการทะเลาะกันถึงจ ะ, ะกล่าความตายเนี่ยเพราะเหตุดังกล่าวเราไม่ไปรับเรื่องความเชื่วของคำเขาจะด่าจะว่าไง ท่านทั้งหลายเอย๋เราจะให้ทุกคนคุณรากเราทุกคนคงไม่ได้แล้วเราก็อย่าไปเกลียดเขาทุกคนเราจะมองคนในแงยดีจะไม่มองคนในแง่ร้ายต่อไปจะมองถเห่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างิดประจําวันพิสมากาธนาเนี่ยกล่าวมาเช่นเดียวกันดังนั้นขออนุมูธนาแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทุททททกธรรมโปรดได้จังใจ ทำลายทําด้วยความตั้งใจเถิดแตเถิดที่สุดแล้วทําด้วยความเคารพทาด้วยจิตสงบทําด้วยความถูกต้องสิ่งเช่นไม่ถูกต้องอย่าไปทําเคารพตัวเองพู้นี้ต้องทําเคารพสถานที่เคารพปฏิกาที่นัดหมายไว้ตีนทัอาทางอะไรต้องไปต้องเดินตรงกลมนะั่งกรรมฐานอะไรทั้งนองนี่เป็นต้นงะเคารพกฎหมายเคารพระเบียดนี่นาย ให้เป็นไปด้วยดีดังนี้กล่าวแล้วทุกประการนี่ด้าจากการฌานที่ทําให้เรามีระเบียบทําให้เราเพียบเรียนนายตั้งใจศึกษานํามาพ้นทุกบรรทุกอันนั้นเป็นหลักสาคัญท่านจำใส่ใจไว้เถิดพระเถิดที่สุดแล้วสางอารมณ์ดีไว้อารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันทําให้เสียงานเสียการจะทําอะไรก็ไม่ผลเป็นเท้าค่าไม่ค่าก็ขาดทุนถ้าเราอารมณ์ดีเนี่ยค้าขายก็ได้กําไร ทำงานก็เฉลร็จอารมณ์ไม่ดีเน่ยทําอะไรเสียหมดเก้งหมดไม่ได้มากในผลแต่ประการไดใจดีอาการเป็นคนใจดำใจสูงว่ากลายเป็นคนใจต่ำใจงามว่ากลายเป็นคนใจหน้าคนไว้ใจได้กลายเป็นคนโลเลคนมีเสนเอ่อยว่กากลายเป็นคนน่าชังคนพูดหน้าฟังว่ากลายเป็นคนพูดไม่เข้าหึคนพูดไม่เข้าถึคนเนอารมณ์ไม่ดีนี่แหละท่านทั้งหลาย นาหนิวหนิวคือคิวข้หมวดคนที่มีเมตตาจะยิ้มหนอกยินมนายิ้ ม, ย ม, แยมแย้มแ จ, นมจ่นใช้ถังใจชนธนาเจนะาจ า, จาระเลาะสองเลาะเพื่อเพื่อขาดเหลือให้ดูกันในสัมพันธ์ของในตีนจะตัดท่น า, านนาสารภาพในปัตตพีเอาไม้จีแยกได้ยังใจจง <c oughs> ก็จะเกิดขึ้นอย่างท่านทั้งหลายดังกล่าวแล้วสุดท้ายนี้ขออนุโมทนา ความอำนาจคุณมัศีละกิราการอำนาจบุญุฑชนทั้งหลายโปรประทานพรให้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทุกลูกทุกนามโดยการจงประสบกับความสุขสนนานัญดอนของทงเจริญจากติลรพรายสิระการไม่อายุขัวเย็นนานวโนผิวฟันต่องไฉสุก ข, ขังค่อยสุขภ า, ภาพกายนามัยทุกท่านโปรดด้วยใจดีโกรกภัยกระเจ็บมีกระปวดหายจึงทั้งหลายทิสทิสไว้ในบัดนี้ จะติดต่อไปโอกาสหน้าจงพลางงานเกิดความสำเร็จประเด็ิผลผมเจตจำนงความมุงมาปาศานาด้วยการทุกดุทุนาหน้าโอกาสบักนี้เชิญขอเจริญพรทุกท่าน